ทีนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของพุทธพจน์นะครับนะในหน้า61กล่าวว่าบัดนี้ถึงโอกาสแห่งการพันนาพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกขึ้นโดยในเป็นต้นว่าดูก่อนพิสู่ทั้งหลายพวกเธอจงละธรรมะอย่างหนึ่งดังนี้ก็การพันนาความนี้นั้นเพราะเป็นการปรากฏที่ท่านกล่าววิจารณ์ ถึงบทตั้งของสูตรไว้ฉะนั้นเราจักวิจารณ์บทตั้งของพระสูตรก่อนนะครับก่อนที่พระองค์จะตรัสอย่างนี้เนี่ยนะควรรู้ว่าพระสูตรเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยกล่าวนิทานกล่าวความเป็นไปมาพอสมควรแลว้วทีนี้ก็ควรรู้หลักการว่าพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนี่ไม่ใช่อยู่ๆแสดงขึ้นมาลอยๆขึ้นมาโดยที่ไม่มีปีมีครวยนะสํา น, นวนว่าฝนเนี่ยตกยังไงไม่มีฟ้าครึ้มเลยนะ เพราะฉะนั้นจะต้องมีฟ้ามีเมฆมีหมอกเป็นต้นนะนะฝนจึงค่อยตกเหมือนกันเถอะอาศัยเข้าอะไรฝนจึงตกชันใดก็ดีพระธรรมคำสอนที่เทศนาเพื่อประโยชน์แก่สรพรพภาษาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีมีก่อนนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเกิดขึ้นได้ยังไงก่อนนี่ก็บอกว่าบทตั้งหรือเหตุเกิดขึ้นของพระสูตนี่มี4อย่างนะครับอย่างหนึ่งก็คืออัตตชาสยะนะครับเกิดขึ้นเพราะอัธยาศัยของตน ปราัชายาเกิดขึ้นเพราะอัธยาศัยของผู้อื่นปุจชาวสิกะเกิดขึ้นเพราะอำนาจของการถามอถบปติกะนะครับเกิดขึ้นเพราะอศาศัยเหตุคือเรื่องราวอ่ะทำให้เกิดขึ้นนะครับจึงได้มีพระธรรมคำสอนบท น, น, นั้นตั้งขึ้นอันที่จริงพระสู่ทั้งหลายแม้มีประมาณตั้งแสนไม่ใช่น้อยคือคำสอนทั้งหมดะนะมีเยอะแยะอ่ะนะก็ไม่เกิน16อย่างไปได้โดยปัจฐานใน ประธานในที่นี้ก็คือศาสนาประธานในคัมภีร์เนติปกรณ์นะนะคือคือศาสนาประธานเนี่ยนะครับมีอยู่สิบหกอย่างด้วยกันการเริ่มต้นเช่นว่าสังกิเลสภาคิยะเป็นไปในส่วนแห่งความเศร้ามองเป็นต้นนะนะดูในในเนติปกรณ์นะครับทําไมอาจารย์ธรรมปาละจึงอ้างเนติปกรณ์บ่อยมากเพราะท่านก็เป็นผู้เรียบเรียงอัตกถาของเนติปกรณ์เหมือนกัน<ช>นะครั บ, รบเพราะท่านเป็นผู้เรียบเรียงคัมภีร์หลายคัมภีร์มากนะครับ เพราะฉะนั้นคำพีไหนที่จะมีอธิบายในส่วนอื่นๆท่านก็ยกคำพีนั้นมาให้เห็นช่องทางว่าคำแบบนี้มีอยู่ในคำพีนั้นนะผู้ที่จะอยากรู้เรื่องนี้แบบละเอียดก็ต้องไปดูในคำพีนั้นเอาก็แล้วกันนะครับฉันใดพระสูตรทั้งหลายย่อมไม่เกิน4อย่างไปได้ฉันนั้นนะครับคือไม่เกินบทตั้งเนี่ยนะโดยบทตั้งของพระสูตรมีอัตชัตตาสยะเป็นต้นฉันนั้นด้วยประการชนี้ คือถ้าตามแนวคมพี์เนตติปกรณมี16อย่างนะสูตรทั้งหมดไม่เกินในสิบหกอย่างนี่เราต้องอยู่ในอย่างใดอย่างหนึ่งในสิบหกอย่างนี่แหละฉันใดก็ดีคําสอนทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะครับไม่อัธยาศัยของพระพุทธเจ้ากว่าอัธยาศัยของผู้อื่นหรือไม่ก็เขาถามพระองค์ขึ้นหรืออศาศัยเรื่องราวพระองค์ก็เลยแสดงธรรมะนั้นๆขึ้นนี่เรียกว่าบทตั้งของสูตร น, นะหลักการอันนี้ก็ควรทราบไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะพระวินัยเนี่ยนะครับที่พระองค์ทรงบัญญัติขึ้นโดยมากอาศัยอัตถุ ป, ปัติเหตุนะครับ คือมีเรื่องราวเหตุการณ์เกิดขึ้นพระองค์จึงบัญญัติวินัยนะตรงนั้นเนี่ยจะชัดเจนมากนี่ก็เลยไปดูในหน้า63าเลยนะครับหน้า63านับขึ้นสัก6บรรทัดนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มาก็เนื้อหาอธิบายได้ละเอียดลึกซึ้งผมอ่านก็เข้าใจไม่มากนะครับอธิบายแล้วเสียหายบาปเพราะฉะนั้นเอาขึ้นประมาณ 6-7 บรรทัดนะครับว่า กลางๆว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอันผู้อื่นไม่ได้ทูลเชิญตรัสพระสูตรเหล่าใดโดยอัธยาศัยของพระองค์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในอากังเขยสูตรตัววัตการสูตรเป็นต้นเนี่ยนะครับตัดชาสายเป็นความตั้งของสูตรเหล่านั้นคือสูตรเหล่านั้นเนี่ยผู้ตามอัธยาศัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวนะครับก็ดูได้นะครับในอากังเขยสูตรพิมพ์มัชฌมนิกาย มูลปัณ น, นาดนะครับสูตรที่ตั้งความหวังว่างั้นเถอะอาการเคยะนี่หวังใช่ไหมครับนะสูตรที่ว่าควรหวังว่างั้นเถอะถ้าหากว่าเธอเป็นผู้มีศีลเป็นต้นเนี่ยเธอจะหวังอะไรก็ได้ในสูตรเหล่านั้นๆนะครับแต่ว่าอาการคยะสูตรในเล่ม17นะฉบับ91เล่มเนี่ย น, นะครับหรือว่าตัวัตรกะสูตรนี่ก็อยู่ในคัมภีสังยุตติกายนะครับอันนี้ลักษณะของอัจฉาิยะนะฮะ ส่วนพระสูตรเหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจตราอัจฉาใยความอดทนอภินิหารและความรู้ของคนเหล่าอื่นว่าธรรมะเนี่ยนะครับอันแก่กล้าอันจะอ บ, บรมพระราหุนน ะ, ะให้ให้พ้นเนี่ยมีอยู่เราพึงนำราหุลไปในธรรมะนะในความสิ้นไปแห่งอาสวะให้ยิ่งขึ้นไปแล้วนะครับ คือหมายความว่าจะแสดงธรรมเพื่อที่จะอ บ, บรมอุปนิสัยของพระราหุลเนี่ยนะธรรมะที่เป็นเหตุบ่มวิมุติของพระราหุล น, นั่นเองนะครับในส่วนธรรมะที่อ บ, บรมเนี่ยนะครับบ่มอินทรีย์พระราหุลให้แก่กล้ายิ่งขึ้นเนี่ยนะเป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะแล้วก็อย่างเช่นสูตรที่ตามอัธยาศัยของผู้ฟังเป็นหลักเลยนะอย่างราหุโลวาทาสูตรนะครับหรือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นต้นเนี่ยนะ นี่เป็นสูตรที่เกิดโดยปรัชาศยะนะครับคืออัธยาศัยของผู้อื่นนะครับบอกว่าปรัชญาศยะเป็นความตั้งของสูตรเหล่านั้นอันนี้คือเอาคนฟังเนี่ยนะครับอัธยาศัยของคนฟังเนี่ยเป็นตัวกำหนดสูตรขึ้นมานะครับเป็นผู้กำหนดสูตรขึ้นนะแต่ถ้าสูตรก่อนหน้านี้เนี่ยพระองค์เป็นอัธยาศัยของพระองค์เป็นตัวกำหนดสูตรส่วนในย่าที่สามก็ ก็เหล่าเทวดามนุษย์บริษัทสี่คือพิสุภิกษุณีวาสกบาสิกาเนี่ยนะครับหรือว่าวันณะสี่ไม่ว่าจะเป็นวันละพระกษัตริย์เป็นต้นเนี่ยนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นพระสูเหล่าใดมีโพชชงข้าสังยุตเป็นต้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามีผู้ทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ตรัสโทชชงอันนะ พ่อชงขอพระ อ, องค์ตรัสนิวรนนะนะนิวรนดังนี้เป็นต้นแล้วพระ อ, องค์ก็ตรัสปุชชาวสิกะเป็นความตั้งของพระสูตรเหล่านั้นนะครับจะต้องมีคนคนถามก่อนนะนะสูตรเหล่านั้นจึงจะตั้งขึ้นได้นะครับอาศัยการถามนั่นเองส่วนแบบที่สีก็พระสูตรเหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอาศัยเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเช่นธรรมทายาสูตรใช่ไหมครับเนื <h> ่องจากภิกษุสงฆ์เนี่ยไม่สา ม, มารถบริโภคปัจจัยสีโดยชอบธรำได้นะพระองค์ก็เลยตรัสธรรมทายาสูตรหรือว่าปุตตะมังสู ป, ปมสูตรน ะ, ะก็คือพระสูตรที่อุปมาด้วยเนื้อบุดนะครับในสังยุตติกายนิทานวักนะหรือว่าทารุก ข, ขันธูปมสูตรนะครับผัสสูตรที่พูดเหมือนกับท่อนไม้ใช่ไหมครับกองแห่งท่อนไม้เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้น ในอัฐุปฏิกะนี่เป็นความตั้งของพระสูตรเหล่านั้นคือเรื่องราวเกิดขึ้นมีก่อนนะพระองค์จึงแสดงคำขึ้นนะครับในความตั้งแห่งพระสูตรสี่เหล่านี้ปรัชชาสัยเป็นความตั้งของพระสูตรนี้สูตรนี้สูตรไหนครับสูตรนี้คือโลภสูตรนะครับโลภสูตรสูตรแรกในคัมภีร์อิติวุติกะเนี่ยนะครับอาศัยอาศัยอัธยาศัยของผู้อื่นนะครับเป็นตัวตั้งว่า จริงอยู่ท่านยกสูตรนี้ด้วยสา ม, มารถปรัชชาสยะถามว่าท่านยกขึ้นด้วยอัธยาสายของบุคคลเหล่าไหนตอบว่าอัธยาสายของบุคคลผู้ไม่เห็นโทษในโลภะโลภะนะครับคนที่ไม่เห็นโทษในโลภะนี่แหละผมก็เลยอาศัยตรัสแสดงพระธรรมเทศนาสูตรนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่ามาย่อๆก่อนนะว่าสูตรนี้ว่าไว้ยังไงครับมาฟังมาตั้งร้ายวันแล้วยังไม่ยังไม่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 สดับมาแล้วว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งได้เราเป็นผู้รับรองเธอเพื่อความเป็นพระอนาคามีธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไงดูก่อนพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายละธรรมะอย่างหนึ่งคือโลภะได้เราเป็นผู้รับรองเธอทั้งหลายเพื่อความเป็นพระอนาคามีนะครับอันนี้ก็อว่าอัธยาศัยของผู้ฟังถามว่าผู้ฟังคนไหนอ่ะคนที่ไม่เห็นโทษของโลภะนะผมก็เลยตรัสไอ้โลภะอันนี้ นะครับซึ่งไอประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะในคาถาที่บอกว่าชนผู้เห็นแจ้งทั้งหลายเนี่ยนะครับรู้ชัดด้วยดีซึ่งความโลภอันเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุกขตินะถ้าในตัวโลภนั่นแหละครับเป็นตัวให้ตกนรกหวงอนันเถอะแล้วละได้ครั้นละได้แล้วย่อมไม่มาสู่โลกนี้อีกในการไหนไห น, นี่คือ เหตุของเหตุที่ทําให้เกิดพระสูตรในเนื่องจากผู้ฟังเนี่ยนะครับไม่เห็นโทษของโลภะพระองค์ก็เลยยกโทษของโลภะมาแสดงให้ฟังนะครับทีนี้ในบาลีท่านจะขยายตามลําดับบทแลก็กล่าวถึงเอกสัพนะครับเอกธรรมะย่างหนึ่งนะมาจากคําว่าธรรมะอย่างหนึ่งนะเอาเฉพาะอย่างหนึ่งคําว่าหนึ่งมาพูดก่อนอย่างหนึ่งเนี่ยคืออะไรทีนี้คําว่าอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับในพระไตรปิฎกนี่มีหลายความหมายนะครับ เช่นในสูตรย่อมมีในความหมายอื่นอย plex, ่างเช่นก็บอกว่าคำว่าความอื่นนะครับยบังบอกว่าคนพวกอื่นย่อมกล่าวอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงนะครับนี้เท่านั้นเป็นสัจจะอย่างอื่นเป็นโมฆะเนี่ยนะคนพวกพวกอื่นหรือว่ า, นนส า, สนาน vale. คนพวกหนึ่งะหนึ่งก็คืออื่นจากคำสอนอื่นจากในศาสนานี้นะคนพวกหนึ่งนะพวกหนึ่งก็คือเป็นคนอื่นจากคนในศาสนานี้เข้าใจว่า พวกศาสตตถิทิบุคคลทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าเที่ยงใช่ไหมครับอันนี้เพราะหนึ่งในทีนี้หนึ่งในทีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ายในนะเป็นพวกฝ่ายนอกนอกศาสนาคือพวกหนึ่งนะนะอีกความหมายของหนึ่งก็คือย่อมมีในความหมายว่าประเสริฐเหมือนเป็นต้นว่าความที่มีจิตผุดขึ้นนะครับเอโกที่เนี่ยนะครับมีจิตผุดขึ้นโดยเอโกที่ภาวะเนี่ยนะอันนี้ในฌานไหนครับอันนี้ขยายในฌานนะ ชาไหนครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมเอกผุดขึ้นนะครับนะผมจําไม่ได้นะครับว่าทุติยชาหรือตาติยชา น, นะครับนะนะเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นนะครับในชาณจิตนะนี่หรือบางทีคําว่าเอกะเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะครับบางทีก็มีความหมายว่าไม่มีเพื่อนก็ได้นะครับ เช่นว่าเป็นผู้เดียวเป็นผู้หลีกไปนะครับเอกวูประกาศโถว่างนั้นน่ยไปคนเดียวอ่างนั้นเนี่ ย, ไ, ย, ววนนยไม่ต้องหาใครอันนี้1ก็หมายถึงไม่มีเพื่อนนั่นเองหรือว่า1เนี่ยมีความหมายวันนับก็มีใช่ไหมครับเช่นว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายคณะและสมัย1แลเพื่ออยู่พรหมจรรย์นเนี่ยหนะึ่งสองสานั่นเองนะครับลักษณะเนี่ยนะหนคือไม่ใช่2อ่ะนะคือนับ1 2 3 4องสเนี้ยอันคําว่า1ในพระไตรปิฎกนี่อาจจะอยู่ในหลายความหมายนะครับเช่นพวกหนึ่งอย่างเนี้ย หรือว่าประเสริฐที่สุดเนี่ยนะหมายถึงธรรมะเอกผุดขึ้นเนี่ยนะครับธรรมเอกผุดขึ้นหรืออีกบางทีก็หมายความว่าความไม่มีเพื่อนนะครับหรือว่าเหมือนกับ น, นับหนึ่งสองสามเนี่ยนะต้นแต่ในที่นี้มีความหมายว่านับนะครับเป็นสังขยาใช่ไหมครับเป็นสังขยาคือการนับนั่นเองทีงนี้ก็ธรรมะสั์นะครับธรรมะสับเนี่ยนะเอกกับธรรมังเนี่ยนะเอกับธรรมะเนี่ยก็ยกคำว่าธรรมะเนี่ยขอบเขตแค่ไหน ทีนี้ธรรมศัพท์ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีหลายความหมายนะครับเช่นความหมายที่1มีความหมายว่าปริยัตสอมีความหมายว่าศัพจะสสมาธิ4ปัญญาหปกติธรรมะนี่แปลว่าปกติก็ได้นะครับธรรมะแปลว่าบุญก็ได้ธรรมะแปลว่าอาบัติก็ได้แปลว่าสุญญาก็ได้แปลว่าเยยยะก็ได้แปลว่าสภาวะก็ได้นะครับตามสมควรแก่ข้อความที่นั้นๆนะธรรมะแปลว่าปริยัติก็ได้นะครับเช่น บอว่าตถาหิสัยท่าพิขุทำมังปริยาปุนาติเป็นความจริงพิสูจนในธรรมวินัยนี้ย่อมเรียนธรรมะธรรมะตรงนี้แปลว่าพระปริยัติธรรมนะครับเนี่ยนะธรรมะตัวแรกแปลว่าปริยัติธรรมบางแห่งธรรมะนี่แปลว่าสัจจะนะครับเช่นว่าทิฏฐธรรมโมเห็นธรรมแล้วก็คือเห็นสัจจะแล้วนั่นเองธรรมะตัวนี้แปลว่าสัจจะนะครับหรือบางแห่งธรรมะนี่แปลว่าสมาธิก็มีนะครับ อย่างในพระไตรปิฎกบทเป็นต้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นได้เป็นผู้มีธรรมะอย่างนี้ธรรมะตรงนี้แปลว่าสมาธินะครับคือคือในทีคณิกายมหาวักนะครับชื่อว่าปาสาธิกาสูตรนะครับอ่าสัมปัสาธานิยสูตรอขอไปสัมปัสาธานิยสูตรนะครับสูตรที่พระสารีบุตรอ่านะชื่นชมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่านะที่บอกว่าพระพุทธเจ้า พระองค์ถามว่าเธอรู้ไหมว่าพระธรรมมาสัมพุทธเจ้ามีธรรมะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนะเธอรู้ไหมบอกข่าพระองค์ไม่รู้หรอกนะนะในในสูตรนั้นนะครับก็ยกมาว่าเออธรรมะในในสูตรนั้นเนี่ยเป็นชื่อของสมาธินะแต่ก็มีอีกที่อื่นนะครับว่าธรรมะนี่แปลว่าปัญญาเหมือนบทว่าสัจจังธรรมโมทิติจาโคสเวเปจจานโสจตินะครับ ผู้ตั้งอยู่ในธรรมะสี่ประการคือสัจจะธรรมะปัญญาจาคะละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศกเพราะฉะนั้นสัจจะธรรมะธรรมะตัวนั้นนี่แปลว่าปัญญาใช่ไหมครับทิติก็ปัญญาเป็นเครื่องทรงจําใช่ไหมแล้วก็จาคะเพราะนั้นไอ้คำว่าธรรมะในคาถานี้เป็นชื่อของปัญญานะธรรมะบางทีก็แปลว่าปัญญาก็ได้นะครับ หรือธรรมะบางทีก็แปลว่าปักบางแห่งบอกวิกาลหรือปกตินะเช่นเกิดเป็นธรรมดาเนี่ยนะชาติธรรมนานังพิกเวสตตานางเอวังอิจชาอุปัชติเนี่ยนะดูความพ่สู่ทั้งหลายความปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายผู้มีชาติเป็นปกติหรือหรือทีอ่ตรงนี้แปลว่าธรรมดาก็ได้นะหรือแปลว่าวิกาลนะย่อมเกิดขึ้นอย่างนี้เช่นชาติธรรมดาใน ช, า, า, ตช า, าติธรรมโมเมหีเนี่ยนะ นั้นชาติธรรมดาชราเป็นธรรมดานี Russians, ่แปลว่าปกติว่างั้นแต่ธรรมดาธรรมดาเนี่ยธรรมะแปลว่าธรรมดาว่างั้นนะที่เราบอกปกตินะหรือบางทีธรรมะนี่แปลว่าบุญก็ได้นะครับอย่างเช่นทำโมหเวรคติธรรมจารีทําแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมใช่ไหมครับทำนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมตรงนี้เป็นชื่อของบุญนะครับหมายถึงบุญนะธรรมะแปลว่าบุญนะโอ้ธรรมะเนี่ยไปเห็นเนี่ยแปลด่าวไม่ได้นะครับ ธรรมะคืออะไรโอ้โหถามผมผมตอบไม่ได้โอ้แปลว่าปริยัตก็ได้สัจจะก็ได้สมาธิก็ได้ปัญญาก็ได้ว่างั้นเะก็ต้องนะถ้าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในพระไตรปิดกเนี่ยนะครับเขาจะถามว่าศัพนี้เอามาจากไหนนะครับเขาจะดูบทหน้าบทหลังก่อนเขาจึงจะบอกถูกว่าแปลว่าอะไรนะครับเขาจะไม่รีบแปลเด็ดขาดนะครับผู้ที่เขาเข้าใจนะนะเห็นสัพท์อย่างเดียวแล้วเพราะว่าสำนวนบาลีบอกมีอัดตั้งร้อยนะครับ ก็เหมือนกับภาษาไทยที่ผมเคยยกมาแล้วว่านกเขาบินข้ามเขาเนี่ยคาว่าเขานี่แปลว่าอะไรนะครับถ้าพูดถึงสัตว์อยู่ก็แสดงว่าไอ้สิ่งที่มันโผล่บนหัวน่าเรียกว่าเขานะพูดถึงกวางพวกถึงวัวเป็นต้นเนี่ยแสดงว่าไอ้สิ่งที่มันงอกบนหัวน่าเรียกว่าเขาใช่ไหมครับนะถ้าพูดกับคนภาคกลางถ้าพูดถึงไอ้แผ่นดินที่มันนูนสูงขึ้นมีหินเป็นต้นก็หมายถึง เรียกว่าภูเขานะฮะคำว่าเขาเหมือนกันเขาเนี่ยถ้ากาลังพูดว่าเอเรากับเขาเนี่ยก็แสดงว่าไม่ใช่ตัวเองนั่นแหละเรียกว่าเขาไม่ใช่พวกเราอ่ะเรียกว่าพวกเขาเป็นต้นนั้นก็เขาเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงนกอยู่ก็แสดงว่าเป็นชื่อของนกชนิดหนึ่งแล้วกานกเขาก็เขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสั์ธรรมะก็เหมือนกันน่นะหรือบางแห่งก็ ธรรมะเนี่ยบางแห่งก็แปลว่าอาบัตนะครับเช่นตินังธรรมานังอัญญะเตเรนวาเทยะปราชิเกนาวาสังคาทิเสนาวาปาจิตเยนวาในอบัตในคัมภีร์อนิยศนะครับในอเ น, น, น, อนยศสิกขาบทนะครับที่บอกว่าอุบาสิกาที่มีวาจาที่ควรเชื่อถือได้กล่าวด้วยธรรมะอย่างไรอย่างหนึ่งคือด้วยปาราชิกหรือด้วยสังคาทิเสหรือด้วยปาจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่งธรรมะตัวนั้นแต่เป็นชื่อของอบัตคือหมายความว่าเขาโจทย์ด้วยธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะ ก็เนี่ยนะครับมันก็คือธรรมะตัวนั้นแปลว่าอบัตเนี่ยนะครับหรือว่าธรรมะนี่แปลว่าสุญญตาก็ได้นะครับแปลว่าความว่างอะนะเช่นว่าตัสมิงโขปะณสมยธรรมมาห้ิณเตมันก็ในสมัยนั้นแหลธรรมะทั้งหลายย่อมมีคําว่าสุญญตาก็คือว่างจากสัตว์บุคคลเช่นพัสสะเกิดขึ้นเวทนาสัญญาเจตนาเอกขตานี่ไม่มีสัตว์เลยมีแต่สภาวะธรรมล้วนๆที่เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าสุญญตา ค, ความว่างจากสัตว์นั่นเองนะครับแต่ธรรมะมีนะครับแต่ว่ามันไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยภาษะเป็นใครไหมเวทนาเป็นใครไหมไม่ใช่ซากอย่างเป็นแต่ธรรมะนั้นคือว่างจากสัตว์จากบุคคลจากหญิงจากชายที่เรียกว่าที่เดรัจฉีคิดขึ้นนะครับนั่นนะทีนี้ธรรมะอาจจะแปลว่าเยยะก็ได้นะครับแปลว่าธรรมะที่ควรรู้นะครับยยะเนี่ยแปลว่าควรรู้ เช่นบทว่าสัพเพธรรมาสัภากาเรณผู้ทศสภกวะโตญาณมุเขณอาปาถังอาคัตฉันติว่า้นธรรมะ ท, ทั้งหลายย่อมมาสู่คลองโดยญาณมุขของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพุท้โดยอาการทั้งปวงอันนี้หมายถึงเยะยะสิ่งที่ควรรู้ได้แก่อะไรบ้างครับสังขารวิการบัญญัตินิพานนะครับสังขารวิการบัญญัตินิพานทั้งเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้พระองค์รู้หมดนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มาอยู่มาสู่ญาณ น, นมุกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะยะยะเหล่านี้เนี่ยนะมุกเคนะนะญาณมุกเคนะนะครับแต่ถ้าหากว่าโดยอัถาก็คือในยา น, นมุกก็ได้ไหมายความว่าญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับอะไรที่ปรากฏเข้ามาสู่คลองเนี่ยรู้หมดเหมือนกันเถอะหรือหรือไม่ต้องให้ธรรมะเหล่านั้นมาหาก่อนนะครับพระองค์คํานึงก็รู้แล้วนะครับ แต่ว่าเพราะฉะนั้นคําบอกว่าสัพเพธรรมมาตัวนั้นเนี่ยธรรมะในนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเลไม่มีเหลือเลยนะครับไม่มีเหลือเลยไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้อันนี้ก็เป็นชื่อของธรรมะเหมือนกันบอกว่าสัพพสิ่งนั่นเองอ่ะนะพูดจำนวนหนึ่งก็คือสัพพสิ่งว่างั้นเถอะทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารบัญญัติรตรมาสัพพสิ่งทั้งหมดเนี่ยพระองค์รู้หมดนะครับอันนี้ก็มันธรรมานี้ก็ปปแปลว่าเยียยะเหมือนกันนะครับ หรือบางทีธรรมะนี่ก็แปลว่าสภาวะก็ได้นะครับเช่นในอภิธรรมนะที่คุ้นคกันว่ากุศลธรรมะกุศลธรรมะเนี่ยนะสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลน่ยนะสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นธรรมะตรงนั้นต้องแปลว่าสภาวะธรรมชนิดหนึ่งนะครับกุศลก็คือสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขเนี่ยมีอยู่นะอกุศลธรรมะสภาวะธรรมที่มีโทษให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยมีอยู่นะ อพยากตาธรรมมาสภาวะธรรมที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกุศลที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอกุศลสภาวะธรรมนั้นก็มีอยู่นะเรียกว่าอพยากตาธรรมมาเพราะฉะนั้นธรรมะตัวนั้นแปลว่าสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่มีอยู่จริงนั่นเองนะครับหรือท่า น, นตรงนี้ท่านยกมาเบาะๆนะครับแค่สิบในนะครับพอหอมปากหอมคอว่าธรรมะนี่แปลได้เยอะนะทําให้เห็นอย่างหนึ่งว่าอย่ารีบผลีพลาม ว, ว่าธรรมะ แต่คำว่าทำมังสารนังฆาชามิอยู่ตรงไหนครับในบททั้งหลายเรานี่เนี่ยนะครับถ้าธรมธรมะในทำมังสารนังฆาชามิเนี่ยนะครับเท่าที่พบคําอธิบายก็คือพระปริยัติอย่างหนึ่งอริยมรรคอริยผลและนิพพานนะครับนั่นคือในทำมังสารนังฆาชามิคือในตรงนี้มีขยายไว้ในฉัตตมานวากะวิมานวัตถุนะครับที่ที่พระองค์ทรงแนะนําฉัตตานพ ให้ถึงธรรมะว่าเป็นสารณะนี่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นนี้องค์ธรรมได้แก่อริยมรรคอริยผลนิพพานและก็พระปริยติธรรมนะครับตรงนี้ไม่ได้ยกธรรมะธรรมังสารนังข้าฉามิไม่ได้มาเอามาขับเน้นเลยนะครับในในบทว่าธรรมะตรงนี้เพราะท่านบอกว่าเป็นต้นนะครับถ้ายกมาหมดก็โหเยอะแ ย, ยะเลยนะฮะแต่ในคัมภีร์นี้ในคัมภีร์นี้หรือในสูตรนี้ โดยเฉพาะสูตรนี้โลพาสูตรที่บอกว่าธรรมะอย่างหนึง่งธรรมะอย่างหนึ่งในที่นี้ได้แก่สภาวะธรรมอย่างหนึง่งนะโลภะเนี่ยเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นธรรมะหนึ่งนี่อย่าไปบอกว่านี่ปริยัติอย่างหนึง่งสัจจะอย่างหนึง่งสมาธิอย่างหนึ่งปัญญาอย่างหนึง่งบุญเป็นต้นไม่ใช่นะครับหมายถึงสัวสภาวะอย่างหนึ่งนะครับครับนั่นแหะประเภ ท, ทโลภาก็คืออกุศลธรรมะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นบ<ๆ>ทว่าเอกธรรมมังประสงค์เอาสภาวะธรรมอ<ๆ>ันเศร้ามองอย่างเดียว คือที่เป็นอากุศลและมีโทษอย่างเดียวเอ่อชื่อว่าเอกธรรมเพราะอาจว่าเป็นธรรมะอันเดียวเพราะฉะนั้นพวกเธอจงละธรรมะเอกอันนั้นธรรมะอันเดียวนั้นแหละตัวร้ายนั่นแหละสมุทัยสัตว์เหมือนงั้นแต่ตัวโลภะอันนั้นแหละเหมือนงั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกที่สูตทั้งหลายว่าพิเกเวดังนี้นะครับนันะ ถามว่าก็เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะแสดงธรรมย่อมตราเรียกพิสูทั้งหลายไม่ทรงแสดงธรรมทีเดียวเพราะอะไรทำไมไม่พูดไปเลยอ่ะมีธรรมะอะไรก็พูดพูดสิทําไมไมัต้องเรียกชื่อเรียกแซ่กันก่อนนะนะมาดูก่อนพ่สูจทั้งหลายยกมาขึ้นทําไมอยามีอะไรก็แสดงไปเลยอ่ะธรรมะตอบว่าเพื่อให้เกิดสติกนะเออการเรียกนี่นะครับทําให้เกิดสตินะ อธิบายว่าด้วยว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยนั่งคิดอย่างอื่นบ้างนะตอนนั้น น, นะตอนที่ที่ต่อนหน้าพระพักเนี่ยบางองค์ก็นั่งคิดอย่างเรื่องใดเรื่องหนึ่องอยู่นั่งพิจารณาธรรมบ้างนั่งมานิสิการกรรมฐานบ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสเรียกก่อนทรงแสดงธรรมะไปเลยภิกษุทั้งหลายไม่อาจกําหนดได้ว่าเทศนานี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นตัจจัยนะครับ คือกำหนดไม่ได้เอ๊ะธรรมะไงมาไงเนี่ยนะอยู่ๆก็พลุ่งออกมาเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยเรียกก่อนต่อเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกแล้วเพียกสูทั้งหลายจึงสามารถตั้งสติกําหนดได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับตรัสเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดสติจึงตรัสเรียกว่าเพียกเขเวนะครับพันสตินี้พระองค์เรียกคนอื่นก็สติเกิดได้นะครับคิดดูนะ แล้วอีกอย่างนี้สังเกตดูนะข้อความตรงนี้บ ว, ว่าเพื่อพิสูจนทั้งหลายสามารถตั้งสติได้นะครับตั้งสติกําหนดได้นะครับคือคือบางท่านก็บอกสติมันตั้งไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วแต่มันจะเกิดเองเพราะมันเป็นอนัตตาว่าไปนั่นนะครับอน น, นอนนอนัตตาแบบนี้ไม่เกิดเสียหายนะครับแต่อโลภะอนัตตาเหมือนาากันแต่ก็ตกนรกน ะ, ะด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงประกาศข้อปฏิบัติที่ชนเสพที่หย่อนและยิ่งด้วยความสำเร็จในการประกอบคุณมีความเป็นผู้มีศีลเป็นต้นแก่ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะครับคือหมายก็ว่าพระองค์ก็มุ่งจะทรงแสดงเนี่ยนะว่าอะไรเป็นข้อปฏิบัติอะไรควรเสภอะไรไม่ควรเสภอะไรควรทำไม่ควรทำเนี่ยนะครับ จึงทรงทำการปรามในความที่มีจิตน้อมไปในความฟุ้งซ่านนะฮะันถ้าเรียกก่อนนี่นะครับก็แสดงว่าเธออย่าฟุ้งซ่านนะว่างั้นนะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทำที่สู่เหล่านั้นให้หันหน้าต่อพระองค์ด้วยพระดำรัตอันแผ่ไปด้วยพระมหากรุณาน้ำพระทัยเยือกเย็นมีดวงพระเนตรเชื่อมฉ่ำนะครับคือ ตาเนี่ยเย็นนะครับตาเย็นฉ่ำอย่างนั้นไม่ใช่แข็งกร้าวลุกเป็นโพรงนะครับลุกโพลงเลยนะครับไม่ใช่อย่างงั้นนะครับตาเนี่ยเย็นอย่างนั้นเนะี่เป็นเบื้องต้นก่อนเนี่ยน้าเสียงที่เยือกเย็นด้วยกรุณานะครับมีกรุณาเป็นสมุทฐานเรียกชื่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะนหลายเสียงกรุณามเป็นยังไงนะครับใครเคยโดยรับเรียกว่าโอ้โหกรุณาจริงๆอนะที่เรียกเราไปเนี่ยนะนะเพราะฉะนั้น ทรงให้ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยเกิดความใคร่ที่จะฟังด้วยพระดํารัสอันแสดงถึงความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะกล่าวนั่นเองนะครับนะนะทรงชักจูงให้ตั้งใจฟังด้วยดีด้วยมุ่งให้เกิดความรู้นั่นเองนะเพราะว่าเมื่อตั้งใจฟังก็จะเกิดความรู้ใช่ไหมจริงอยู่การถึงพร้อมด้วยคำสอนอาศัยการตั้งใจฟังนะครับาศาสนาสัมปตินะถึงพร้อมในความเจริญบริบูรณ์ในาศาสนานีอาศัยการฟังนะครับ ถ้าหากว่าฟังมาไม่ดีไม่ได้เรื่องนะครับแต่ทีนี้คําว่าฟังในที่นี้นะครับเราก็ควรศึกษาตามคัมภีปฏิสัมพิทาด้วยนะครับคําว่าฟังเนี่ยนะครับหมายถึงขอบเขตแค่ไหนจึงจะเรียกว่าฟังนะตามคัมภีปฏิสัมพิทาสุตตะมยญาณนนิเทศนะครับอธิบายว่าถ้าอุเทศก่อนเขบอกว่าโสตาวทานสุตตมยเยปัญญาว่างอันปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแลว้วนะครับชื่อว่าสุตตมยญยาณ นั่นคือลักษณะของผู้ฟังจริงๆนะครับฟังต้องได้เกิดปัญญาในการฟังคือฟังแล้วสามารถทรงจำทําไว้ได้นะครับนะชื่อว่าสุตตะมยายานแล้วก็ยังขยายอีกว่าฟังแล้วเนี่ยคอบเคตแค่ไหนจึงจะเรียกว่าสุตตมยายาน ฟังแล้วก็รู้ว่าเออธรรมะเหล่านี้เป็นอภินโยธรรมนะธรรมะเหล่านี้เป็นปริญโยธรรมนะธรรมะเหล่านี้เป็นปะหาตัปธรรมนะธรรมะเหล่านี้เป็นสัจจิกาตัปธรรมนะธรรมะเหล่านี้เป็นภาเวตัปธรรมนะนะฟังแล้วก็แยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกําหนดรู้อะไรควรละรรรอะไรควรเจริญอะไรควรทําให้แจ้งแล้วนะฟังแล้วแยกแยะประเด็นปลีกย่อยได้หมดเลยนะ แล้วก็แค่นั้นก็ยังไม่พอนะครับยังสามารถฟังรู้ว่าโอ้สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกขธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาและฟังก็ยังแยกว่าโอ้นี่ในฝ่ายเสื่อมนะนี่ในฝ่ายแห่งความตั้งอยู่นี่ในฝ่ายแห่งความเจริญขึ้นนี่อยู่ในฝ่ายแห่งการชำระ ก, กิเลสนะแล้วก็ฟังแล้วก็ยังแยกประเด็นออกว่านี้ทุกขาริยสัตย์นี้ทุกขสมุทัยอริยสัตย์นี้ก็ทุกขนิโรธอริยสัตย์ฟังแล้วก็สามารถแยกจำแนกแจกแแงลักษณะนี้เรียกว่าสุตตะมยายานปัญญาที่เกิดในการฟังนะครับ มั น, น, นไม่ใช่นั่งผ่านหูมาแกก็ยังดีครับให้เพื่อมันจะติดหูบ้างนะครับ <c oughs> ทีนี้ถามว่า <c oughs> เมื่อเทวดาและมนุษย์แม้เหล่าอื่นอันเนื่องด้วยบริษัทมีอยู่เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายเล่าที่จริงคนนั่งที่นั้นไม่ใช่น้อยๆ น, น, นะครับหมาว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะทำไมจึงเรียกแต่ภิกษุตอบว่าเพราะภิกษุทั้งหลายเป็นผู้เจริญที่สุดบางท่นเถิด อ่ะ น, นะเหมือนกับว่าถ้าจะพูดกับลูกก็เรียกลูกคนโตก่อนว่างั้นเถอ ะ, จะเจริญเนี่ยลักษณะนั้นนะครับแล้วก็เป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้นั่งใกล้เป็นผู้ใกล้ชิดทุกเมื่อนะครับเนี่ยเหตุผลที่เรียกภิกษุก่อนนะอธิบายว่าจริงอยู่พระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมสาธารณะแก่บริษัททั้งปวงนะเดี๋ยวใครบอกเออนี่ยคำสอนนี้เฉพาะพระภิกษุนะไม่ใช่อันตรงนี้ท่านบอกเลยนะว่าธรรมะของพระธรรมเทศนานะ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะครับสาธารณะแก่บริษัททั้งปวงแต่ที่เหตุผลที่ยกพระภิกษุทั้งหลายขึ้นมาก่อนเนี่ยก็เพราะว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้เจริญที่สุดในบริษัทเพราะเป็นผู้เกิดก่อนอ น, นะเทียบว่าเกิดก่อนเนี่ยนะครับใครเกิดก่อนนะครับพระอัญญากกณทัญญะโดยถือว่าถือว่าเกิดก่อนในในพระาศาสนาในพระภิกษุจึงเกิดก่อนนะครับ น, นะ หรือว่าชื่อว่าประเสริฐที่สุดเนี่ยนะครับพระภิสุก็เพราะปฏิบัติตามพระจริยาของภาษาสดาเริ่มตั้งแต่การออกบวชเป็นต้น น, นะครับแล้วก็เพราะรับคําสอนไว้ทั้งหมดนะพระภิสุนี้ก็บอกว่าโอ้ยผมไม่เอาหรอกธรรมะอย่างงั้นอย่างงี้ไม่ได้นะครับผมต้องรับไว้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวเองนี่คล้ายๆว่าเข้ามารับมรดกก็ทําตามหมดเลยตั้งแต่การเรื่องการออกบวชเรื่องการนุ่งการห่มเป็นต้นเนี่ยเอาแบบอย่างหมดมัน แม้แต่พระธรรมคาสอนก็ต้องรับไว้ทั้งหมดด้วยนะวินัยท่านบอกว่าโอ้ยฉันไม่เอาหรอกอบัตเงิฉันจะเอาแต่ประราชิกอย่างเดียวไม่ได้ฉันเอาสังฆาธิเศษอย่างเดียวไม่ได้นะครับจะต้องเอาทั้งหมดนะครับจึงจะเรียกว่านั้นพระองค์จะเลยเรียกว่าภิกษุเพราะว่าประเสริฐที่สุดเพราะว่าบวชตามเป็นต้นแล้วก็เป็นคนที่รับคําสอนต้องรับทั้งหมดนะครับนะถ้าเราเป็นภิกษุเราก็ต้องรับไว้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นนะยังเน้นอีกเผื่อจะไม่เป็นว่างันหนึ่ง เชื่อว่าพิสูจน์เนี่ยเพราะนั่งใกล้นี่เป็นยังไงเพราะเมื่อพิสูุทั้งหลายนั่งในที่นั้นเป็นผู้อยู่ใกล้ใครจะไปกล้า น, นั่งใกล้พระพุทธเจ้าเท่าภิสูุทั้งหลายใช่ไหมครับเชื่อว่าพิสูจนนี่ครับเพราะว่าที่พระ อ, องค์เรียกก่อนเพราะว่าเป็นผู้ใกล้ชิดทุกเมื่อเพราะเป็นผู้อยู่ในสำนักของพระศาสดาคาราวารเขายังต้องกลับบ้านกลับช่องเลยนะพิสูุก็อยู่นั่นแหละวัดเดียวกันไปไหนไปโดยเัมืนงงั้นเถอะติดตามกันไปด้วยกันนั่นแหละ อีกอย่างหนึ่งพิสูจนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ใกล้ชิดทุกเมื่อเพราะเป็นผู้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนอันเป็นที่ตั้งแห่งพระธรรมเทศนาและเพราะเป็นผู้มีความพิเศษหรือวิเศษนั่นเองนะครับก็บอกว่าถ้าเทียบเทียบไปแล้วนี่พระพิสูจน์นี่ท่านปฏิบัติตามอ่า ได้มากที่สุดนะครับทําตามได้มากที่สุดปฏิบัติได้ตามคําสอนเนี่ยนะแม้แต่เรามนุษย์ทั่วไปก็ถ้าหากว่าเป็นคารวาสก็ยังต้องกลับบ้านกลับช่องเป็นต้นเนี่ยนะต้องเสาร์แบงหาการทํามาหากินการเป็นอยู่การกินเทวดาทั้งหลาย ก, ก็ไหนต้องมีกิจไปเที่ยวไปโน่นไปเรื่อนเริงงานโน่นงานงา น, นี่เป็นต้น น, นะนะพระพิสูจไม่มีนะครับติดตามประพฤติปฏิบัติตามอย่างเดียวในถ้าเป็นสาวก ข, ของพระ อ, องค์นะครับทาให้รอกรียดรอรอยซะก่อน เพราะฉะนั้นเทศนานี้เนี่ยหมายถึงภิกษุบางพวกนะครับเพราะเหตุ น, นั้นพระองค์จึงตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้นนะครับถามว่าพวกไหนพวกที่ไม่เห็นโทษของโลภะองนั้นแต่ข อ, อนุญาตถามครับผมเคยได้ฟังในสติปัฏฐานสูตรหรือว่าที่ไหนที่บอกว่าที่ทรงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเพราะอัดว่ามีมีปกติเห็นภัย ในวัตตาสงสารอะไรอา๋อคำว่าภิกษุนี่นะครับมีหลายความหมาย <Beast. S 2> นั้นนั้นสัพว่าภิกษุนะครับครับศัพว่าภิกษุเพระเห็นภายในสังสารวัฏนี่ก็เป็นภิกคำว่าภิกษุในในสติปัฏฐานนะครับเพราะคํา <ข Laura, S 2> <อ>ว่าภิกษุตรงนั้นเนี่ยสาธารณะทั่วไปในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนะครับเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติสติปัฏฐานเรียกว่าภิกษุก็เพราะว่าท่านเห็นภายในสังสารวัร หรือว่าภิกษุในชตาสูตรนะครับในชตาสูตรที่วิสุทธิมักยกมาขยายตรงนั้นก็ภิกษุคือพระอัฏฐาว่าผู้เห็นภายในวัฏฏะนะครับแต่นี้หมายถึงภิกษุที่อยู่ในเพศนักบวชนะครับในที่นี้นะครับเป็นภิกษุโดยโดยเพศด้วยแล้วก็โดยข้อปฏิบัติด้วยนะครับกว้างขวางมากแต่ถ้าที่อื่นๆตามสติประธานหรือตามวิสุทธิมักนั้นเอาพิคุเน้นที่ข้อปฏิบัตินะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเน้นทั้งเพศด้วยนะครับ ้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้น